อัที่จงใจต้องเนะาะละชีตอม น, นั้นนะครับขณะจิตนั่นแหละครับแต่พอเราสำเนึกได้ใช่ไหมย <Important. S 2> อย่างลงสู่ละชีทํามนั่นนะครับก <Yeah. S 2> ็มาทําคืนอย่างนี้นะเราก็ไม่ใช์ละชีนะครับเนี่นะเป็นเอาขณะจิตเลยนะละเฉลละชีนะครับแต่เราก็ไม่ได้ชั่านละชีถูกต้อง <Yeah. S 2> พราะเราก็มีการฝึกฝนระวังใช่ไหมครับ <Yeah. S 2> มีการปองอาบัตขึ้นมาเรื่อยนะ <Yeah. S 2> แต่จะไม่ต้องอะไรก็คงจะ ย, ยากนะครับ ในสมัยนี้ไม่ต้ออางบัตรเลยนะอย่างนะครับถ้าอางบัตรต้องกันไม่ได้เลยเนี่ยพรุทธองค์เขไม่แสดงวิธีออกจากอางบัตรนะครับอันนี้แสดงว่ามันต้องกันได้พระุทองค์ก็เลยแสดงวิธีออกเสียอางบัตรแต่ลอย่างกันได้อย่างแม้เก่าจะอางบัตรปราชีก็ยังมีเลยใช่ไหมเรื่อการศึกนะครับเพราะว่าต้องรู้วิธีแล้วก็ซุมาระวังต่อไปแต่ละคนที่ไม่ได้ใส่ใจน่ะจงใจต้องอ้างบัตรแล้วก็บอกปิดอางบัตร้วยทํารื่องซักซ่าอย่างนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ไม่บอกใครไม่ใส่ใจเนี่ยนะ อันนั้นนะจะเปลี่นลายสได้เย่างัอการพยัญะพูดสิง่งน้นออกจากปากปารามีนได้ยินมาว่าถ้าถ้าศึกไปโดยที่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นปาราซินแบบนี้ไม่คือาเป็นกรทำคืได้ยินได้ฟังมากอก็ทำคืนเหมือนกันครับไม่จะเป็นต้องบอกว่าเราเป็นต้องปาราซีนมาไม่จริงครับแล้ถ้าแบบนั้นก็กลับมะบวนได้โอ้ไม่ได้เขาไม่ได้ ถ้าก็เปรนลาสิขาข so ึ้นเขาความลาึกขานะครบองก็เป็นเสร็จมาถึงไม่ได้บอกนั้นนะก็ถือว่าทําพอในแบบปราชิกนะครับอันนี้อย่างอย่างที่น่ติดการติดญาตัวเดียวหรหอไงว่าเป็นเป็นผู้ที่ประหลาดทแล้วก็ไม่ถือเองก็ทาเขาได้นะถ้าไปทํำถือว่าถ้าอาจจะไม่ได้มาเสร็กคบองหรอกแต่ว่าเขาถ้าไปทําปราชิกนะเนี่ย ก็ไปไปฏิญญาเป็นขลุ่ห์เลยครับเนี่ยนะได้ครับไปอยู่กบับชาวบ้านนะล่าว่าเนี่ยเราไม่ใช่พระใช่ไหมปฏิญาเขาเป็นญายโยนะครับเนี่ยก็ถือว่าขาันกันคะรับมาดูในวรสมรวิธีนนหน้าหน้ร้อยเจ็ดสิบเก้านะครับข้อที่หกสิบห้าพิสุกใดรู้อยู่นะ อ, อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุยังไม่เค้ายี่สิบ บุคคลนั้นยังไม่เป็นปรจสมบัติพิสูุด้วยพิสูดเหล่านั้นเป็นผู้ควรนถูกติดเตียนด้วยพิสูดผู้เป็นประชาต้ตองอานบาัตรปาจิตติพิสูดผู้ร่วมทํากรรมที่เหลือต้องอานบัตรทุกกฎกรรมวอกิจได้ hmm. รู้อยู่รู้ทั้งรู้นะ hmm. ว่าคนที่จะมาบวชเป็นพระเนี่ยอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีนะครับ ยีิบปีนั่งแต่ในท้องแม่นะครับตั้งแต่ปริสนธิจิตดวงแรกเกิดตั้งขึ้นในท้องมาดานะนั่งแต่ตอนนั้นเลยนะครับถือว่าเขาอยู่ในท้องแม่สิบสองเดือนใช่ไหมก็นับได้หนึ่งปีแล้วนะครับพอแกคลอดมาได้หนึ่งขวบใช่ไหมแกก็มีอายุสองปีเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ในท้องแม่ถึงสิบสองเดือนนะครับพอายุสิบเก้าปีเนี่ยก็สามารถเป็พรนุได้ ใช่คอ okay. ืมแล้วก็บวกไปในท้องได้เลยใช่ใช่บวกเก้าก็สิบเก้าเดือนเอสิบเก้าปีกับอีกสอบสามเดือนสิบเก้าปีจะอีกสามเดือนใช่ไมถว่าอยู่ในท้องแม่เก้าเดือนใช่ไหมครับอันี้สิบเก้าปีสามเดือนเนี่ยก็รวมรวมในท้องเก้าเดือนก็เป็นยี่สิบใช่ไหมครับนั่นสามารถบวกได้แล้ว เอาี่สิบแม่คือชัวร์เลยส่วนญ่ใช่อย่างนี้นะครับตอมายี่สิบมีม่บุตเป็นผ้าเลยผมรอจนยี่สิบเอดปีนะครับแล้วใครบุดรเป็นผ้าไม่ไได้สงสัยเกี่ยวข้อนี้หลนั่นแต่ว่าต้องการที่จะศึกษาวินัยมันรู้อะไรก่อนนะก็เลยครบแล้วสี่หน้าอะไรไม่ต้องสงสัยว่าไรขไม่ต้องไมบุต นนถือว่าคนในอายุเขาไม่ครบนะครับแล้วก็ไปบวชให้เขาก็ไม่เป็นไอนบวช น, นะครับบวชไม่ขึ้นเขาเรียกว่าวัตถุวิบากนะครับก็ไม่ใช่เป็นพระก็ยังเป็นโยมอยู่ดีนะหรือท่านรักทนรักคมก็เป็นได้แค่เนรแค่นั่นเองครับยังไม่ถือว่าเป็นพระนะครับและก็นะครับพเะ่าประปชาต้องบัรบาจิตตินะครับส่วนทีพิจุตที่เหลือนะจะเป็นผ้าอาจาสุกรรมาว า, าจานะครับ หรือคณะประกาศที่นักขัตถบอาให้ทั้งหลายอะไรนะก็ต้องบัตรทุกครกฎในกรณีที่ดูทั่าดรู้คุณครับแต่ว่าถ้าท่านไม่รู้ท่านเข้าใจว่าเขามีอายุครบยี่สิบและทำบวตให้เนี่ยท่านก็ไม่ต้องบัตรอะไรแต่ว่าบุคคลนั้นยังไงก็ไม่ใช่แพระนะบวชไม่ขึ้นนะครับถ้านบอกว่าถึงแม้ถ้านจะได้อะไรนะบุญถึงสิบพรรษาแล้วนะครับรูปนี้ที่บวชไม่ขึ้นน่ยถึงว่าบวชได้สิบพรนศาแล้ว แล้วก็เป็นประชาเข้าแล้วก็ไปบวชต่อให้คนอื่น <c oughs> ไปบวชต่อยคนอื่นเองสมมติว่าเรานับพระที่มาร่วมสังฆกรรมใช่ไหมถ้าไม่นับอาจารย์ที่เหลือครบองค์ครบห้ารูปแบบนี้เลยครับคนที่บวชก็ถือว่าเป็นอ้นบวชเหมือนกันนี่ครับพราะว่าพระที่เหลือก็ย่างครบใช่ไหมอื่ครับเนี่ยเป็นอ้ำบวชนะแต่ว่าถ้าบอกว่าก็ยังไม่ห้ามสวรรค์ไม่ห้ามว่าผลนิพพานนะ ตามวิธีท่านยังไม่รู้นะครับแต่มารู้เมื่อไหร่นี้ไม่ได้ก็มาบวชใหม่นะครับที่ยังไม่รู้ก็ยังไม่กันอะไรเ ง, งี้ยนที่มาดูต้นหนี่นองยอยาก้ยเ้าสิบแปเรื่องเด็กชายขอบาลีนะครับโดยสมัยนั้นทุ่งพระภาพพระเจ้า ป, ประทําอยู่หน้าพระเวฬุวันวิหาร อันเป็นสถานที่พระราชทานเหยือ่อแกแ่กระแตเหตพระนครราชคือครั้งนั้นในพระนครราชคือมีเด็กชายพวกหนึ่งสิบเจ็ดคนเป็นเพื่อนกันเด็กชายอุบาลีเป็นหัวหน้าของเด็กเหล่านั้นครั้งนั้นมาดาบิดาของเด็กชายอุบาลีได้หาดีกันว่าด้วยวิธีอย่างไรหนอเมื่อเราทั้งสองล่วงลอดไปแล้วเจ้าอุบาลีจะพึงอยู่เป็นสุขและไม่ต้องลําบากนะครับเนี่ยให้ปรึกษาหาดีกันนะ ครั้นแล้วหารือกันต่อไปว่าถ้าเจ้าบาลีจะพึงเรียนหนังสือเนี่ยต้องส่งให้แกเรียนหนังสือใช่ไหมด้วยวิธีอย่างนี้แหละเมื่อเราทั้งสองร่วมรับไปแล้วเจ้าบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องลำบากนะครับพอส่งไปเรียนนะมีวิชาความรู้แล้วเนี่ยก็จะเอาวิชารู้ไปประกอบการงานะใช่ไหมครับแด้ก็อยู่นะเป็นสุขนะครับแต่คิดไปคิดมันก็คิดต่อไปนะครับและหารือกันต่อไปอีกว่า ถ้าเจ้าบาลีจะเรียนหนังสือนิ้วมือก็จะระบบโอ้ยมันต้องให้แกนเรียนหรอกเรียนแนละ้ออมันต้องเขียนใช่ไหมสมัยกับกระดาษชนวลด้วยมือระบบหมุนนะครับ <c oughs> ไม่ต้องให้เรียนนะี <c oughs> <c oughs> ่ก็คิดหาใหม่วิธีใหม่นะถ้าเจ้าอุบาลีเรียนวิชาคํานวณด้วยวิธีอย่างนี้แหละมื่ราท่องสองลุมลอกไปแล้วเจ้าอุบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องลําบากนะครับนี่นะเคียบจะให้เจ้าอุบาลีเรียนวิชาคํานวณ สมัยก่อนวิชาคนวณคํามูลเก่งมากนะหลายอย่างนะครับแล้วก็ครั้งต่อมาจึงหาหรือกันอีกว่านะครับถ้าเจ้าบาลีจะเรียนวิชาคนวณเขาจะต้องหนัก อ, อกนะครับมันต้องคิดมากใช่ไหมต้องมาคอยน้ำแรกนี่นะโอ้ยเครียดเลยเนะี่ยลำบากก็ <laughs> <laughs> ไม่ไม่ให้เรียนอีกนะครับเนี่ยถ้าจะพึงเรียนวิชาดูรูปภาพด้วยบาอย่างนี้แหละเมื่อเวลาทังสองลงรับไปแล้วเจ้าบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องลําบาก วิชาดูรูปผ้าหมายถึงวิชาดูเหรียญกระสานนะครับดูเหรียญว่าเหรียญจริงเหรียญปอใช่ไหมมีวิธีดูไวิธีพิสูจน์อย่างนี้นะครับกขจะแห้เรียนอันนี้อันนี้เขาจะให้เรียนนี่ <c oughs> หนแหละนะทีนี้ก็คิดต่อไปอีกนะครับว่าถ้าเจ้าบาลีจะเรียนวิชาดูรูปผ้าในตางทั้งสองเขาจับชอบช้านะครับโอ้เนี่ยต้องมาคอยนั่งแท่นดูกระสามดูอโอ้ยไมต้องมาเรียนหรอก <c oughs> ก็ <starters> คิดต่อไปนะครับคิดดีนะพัสมนาเชื้อสายพัสกยบุตรเหล่านี้แหลมีความสุขเป็นปกตินะครับวุฒิภานี่อยู่สบายนะความสุขนะครับมีความประพฤติเรียบร้อยบริโภคอาหารที่ดีนอนในห้องนอนอันมิชิดนะครับถ้าเจ้าบาลีจะพึงได้บวชในสํานักพัสมนาเชื้อสายพัสกยบุตรด้วยวิธีอย่างนี้แหละ <st Native> <t un loop> เมื่อเราทั้งสองล่วงรับไปเจ้าบาลีก็จะอยู่เป็นสุขและไม่ต้องลําบาก ก็นี่ยนะลูกยังต้องบวชนะครับทีนี้เด็กชายอุบายที่ยินถ้อยคำขึ้นมาดานดีดาสนทนาหาหารือกันดังนี้จึงเข้าไปหาเพื่อนเด็กเหล่านั้นนะครั้งแล้วได้พูดชวนดังนี้ว่ามาเถิดพวกเจ้าเราจะพากันไปบวชในสำนักพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าสด็ศักยบุตรเด็กชายคนนั้นพูดว่าถ้าเจ้าบวชแม้พวกเราก็จะบวชเหมือนกันไม่รอช้าเด็กชายเหล่านั้น ต่างคนต่างก็ไปหามารดาบิดาของตนของตนแล้วขออนุญาตว่า <c oughs> ขอท่านทั้งหลายจงอนุญาตให้พวกกัปปะเจ้าออกจากเรือนบุญบรบัญชิตเธอมารดาของเด็กเหล่านั้นก็อนุญาต ท, ทันทีคร<ะ>ับด้วยคิดเห็นว่าเด็กเหล่านี้ต่างก็มีฉันทาร่วมกันมีความมุ่งหมายดีด้วยกันทุกคนค<ะ>ก็เลยอนุญาตให้บวชทัสิบเจดคนเลยนะนะครับทีนี้เขาไม่ได้บอกนะ ไม่ได้บอกถึงความทุกในการบวชนันเป็นยังไงครับที่พระไอนะภระสารี่บุตรใช่ไหมบอกกับเด็กที่จะมาบวชใช่ไหมครับบอกว่าะไรนะเป็นผ้าเนี่ยอะไรนะอยากได้ของร้อนก็ได้ของเย็นก็ได้ของเย็นก็ได้ของร้อนใช่ไหมครับการเป็นอยู่ด้วยอาศัยคนอื่นนะมันไม่ได้ดั่งใจอะไรทุกอย่างนะครับเหมือนกับเป็นโยมหรอนะเป็นโยมอยากกินตอนไหนก็ได้ใช่ไหมไป็นผ้าจกินตอนไหนนี้ไม่ได้นะ อยากไ้้อะไรก็ไปทำทำงานหาเลี้ยงอะไรมาใช่ไหมแล้วก็ไปสแสวงหากรรมคุณอะไรมาหน่อยได้แต่พระไม่ได้ต้องขันกรรมที่อยู่ใ น, กนเกาะระเบียบนะครับต้องอาศัยปัจจัยที่เขาเลี้ยงชีเนี่ยนะนะครับทีนี้ก็เรื่องก็จะเกิดขึ้นักใช้ยังเด็กมากนะครับทีนี้เด็กพวกนั้นเข้าไปหาที่สุดทัางหลายขอบรบชาแล้วที่สุดทั้งหลายก็ได้ให้เด็กพวกนั้นบนรบชาด้วยประสมบทให้บวชแล้วก็ให้บวชเป็นพระเลยนะครับ ขั้นปัะจุสมัยแห่งลาบลีะครีบเช้ามืดเลยนะที่สุใหม่เหล่านั้นลุกขึ้นร้องไห้บิงวองว่าขอทั้งหลายจงให้เข้าต้องจงให้เข้าสวยจงให้ของเคี้ยวนะครับเด็กนาสิลมาเช้ามื่ดร้องไห้งองแงเลยครับยินจะกินข้าแล้วทํายังไงที่สุทั้งหลายอาจันนี้ว่าอาวุโสทั้งหลาจงลงให้ราตรีสว่างกร เนี่ยมันยังมไม่สวา่างอะไรนะเนี่ยถ้าข้าวต้มมีจากอันดึงได้ถ้าข้าวสวยมีจากฉันได้ถ้ามีใช่ัหมก็จะได้ดึงได้ฉันนะครับถ้าของเคี้ยวมีจากเคี้ยวฉันได้ถ้ า, ข, าข้าวต้มข้าวสวยือของเคี้ยวไม่มีต้องเที่ยวบินดาบฉันฉนะครับจะมาร้อมอย่างนี้ไม่ได้ต้องเที่ยบินดาบอ่านะครับพระสูตรให ม, ม่เหล่านันพระสูตร ท, ทั้งหลายแม้กราบอย่างนี้นแลก็ยังร้องห้ามมิวอนอยู่อย่างนั้นแล้วว่า จงให้เข้าต้มจงให้เข้าสวยจงให้ของเคีย้ยวดันย่อมถ่าจฉาลดบ้างถ่ายปาัสาวดบ้างซึ่งเสานาส น, านะครับโอ้ยัยงฉี่ร่าเลยนะยังแบบเด็กมากเลยครับนะมาเข้ามาบวาแล้วเปสิบสามลสบองสิบสามอยู่เยนั่นอยแบบสิบขัวก้ากคนสขัวเพราะว่ า, า, า, วาน่นาน้อยนะคุณพระเจ้าทรงถึงบรรคนะเวลาปัจจุสมัยถึงราตรี ได้ทรงสนับเสียงเด็กๆนะครัครั้งแล้วสัดเลียงท่านพระอาน น, นมาตัดถามว่านั่นเสียงเด็กๆหรืออาห น, นุน <c oughs> จิงท่านพระอาหนุนได้การรื้อนั้นแดกพิาพภาชเจ้าลำดับนับพิมพภาชเจ้ารับสังอุปถัมภ์ชุนพิพาาสูสุส่งในพระหอกเป็นเขาบุญ น, นั้นในพวะอกแรกเกิดนั้นและทรงสอบถามสุทั้งหลายว่าดูค่อมพิสุทั้งหลายถามว่าพิสุทั้งหลายรู้อยู่ยังบุคคลมีอายุย่อมยี่สิบปีให้ผสมผ์จริงหรือนะครับ พิสุทธิทั้งหลายถึงเล่าว่าทิมบพุทธเจ้าข่าทว่าผ้าเจ้าทรงติดเตียนว่าดูก่อนสุทธิทั้งหลายฉะนั้นโมฆะบุตเหล่านั้นรู้อยู่จึงได้ยำบุตมีอายุย่อนยี่สิบปีให้อุปสมบทเล่าเพราะบุคคลมีอายุย่อนยี่สิบปีเป็นผู้ไม่อดทนตอนเย็นร้อนหิวกระหายใช่ไหมถ้ายุงยังไม่ถึงยี่สิบยิ่งเด็กเท่าไหร่นะครับความอดทนต่อเย็นร้อนหิวกระหายยังน้อยอยู่นะ เป็นผู้มีปกติไม่ทนทานต่อสัมผัสแห่งเรือยุงลมแดดสัเสือกทานนะต่อคำกล่าวที่เขากาล่าวร้าอันมาแล้วไม่ดีโดนดุโดนว่าตะคอนะอาจจะล้อไห้ได้นะครับแต่ เ, เด็งยังทนไม่ได้หนะต่อทุกขเวทนาทางกายอันกล้าแข็งนะครับ <c oughs> เพร็ร้อนไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็นที่พอใจอันอาจฐานชีวิตได้ที่เกิดขึ้นแล้ว พ่อบางทีเด็กไปเจอเวทนาบางอย่างทนไม่ได้นะถึงขนาดตายก็มีนะครับเนี่ยนะบารีถ้าเวทนาขนาดนี้แหลผู้ใหญ่ทนได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเด็กทนไม่ได้นี่นะมันเคยมีอีวันหนึ่งเนี่ยเข้าพานะพา้าแล้วเนรไปเที่ยวกันนะครับท <c oughs> ัศนาจร อ, อาวุธทัศนาจอร <c oughs> ทีนี้เกิดลรคข้ออักเสนะครับเน <c oughs> นตายกันนะบมองหน้าผานเนีนะครับแล้วเขาพาไปเที่ยวน้ำตกนะครับ เนยก็ตกน้ำตกตายก็ีครับถ้าตกไปไม่ตายนะวิญญาณแดงฉานไม่ตานะครับแต่บนเนนตกไปนี่ไม่รอดครับไม่ได้เด่งทนเวทนาอะไรอย่างนี้ไม่ได้มากนะเจออะไรเวทนากล้าแข็งเนี่ยไม่ได้นะครับนี่นะครับแล้วก็อันบุคคลมีอายุนะครับครบยี่สิบปีเท่านั้นจึงเป็นผู้อดทนต่อเย็นในร้อนหิวกระหาย เป็นผู้มีปกติทนทานต่อสัมผัสแห่งเรือบยุงลมแดดสัตว์เสือกคลางต่อคำกล่าวที่เขากล่าวและอันมาแล้วไม่ดีต่อทุกประเวทนาทางการอันกล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่เป็นที่ยินดีไม่เป็ที่พอใจอันอาจพลาชีวิตได้ที่เกิดขึ้นแล้วการกระทำของโมฆะบุรุษเหล่านั้นนั่นไม่เป็นไปว่าความเลื่อมใสของชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือว่าความเลื่อมใสของชนที่เลื่อมใสแล้วและพระองก็ม่อยากจะถามตรงนี้ขึ้นมา นี่มาดูคำอธิบายกลางคานนะครับหน้าสอง้สา<อ>มสิบนะครับอธิบายอูณาวิสติวัสสิกขาบุนะครับเพ<ส>ืาา่อสะอาดอธิบายสิกขาบุตที่ห้าต่อไปคําว่ามีอายุต่ากว่ายี่สิบปีอูณาวิสติวสัสสงหมายถึงยังมีอายุไม่ถึงยี่สิบปีโดยเริ่มนับจากเวลาที่ปฏิสนธินะครับ คำว่าให้อุปสมบทอุปสัมปาเทหิคือเป็นอุปชาให้อุปสมบทนะครับคำว่าคุณนั้นยังเป็นอนุปสมบันิโสจะบุกร้อนุปสัมปนงหมายถึงไม่ว่าอุปชาจะสร้างหรือไม่ทราบก็ตามว่าเขาอายุยังไม่ครบอุปสมบทให้ก็ไม่เป็นอนุปสมบทยังเป็นอนุปสัมบัติอยู่อย่างเดิมแต่ถ้าล่วงไปสิบปีเธอได้เป็นอุปชาบวชให้ผู้อื่น หากไม่นับเธอเข้าด้วยแล้วยังครบคณะผู้บวชใหม่นั้นก็เป็นอนุปสมบทดีแล้วนะครับนะพเพราะว่าถ้าครบคณะนั้นไม่นับท่านนะครับนี่คืมีพระเขาถามทีนะเขาถามผมนะครับเขาบอกว่าเอ้าถ้าไม่ใช่อุปชาคนที่บวชไม่ขึ้นนี่ยไม่ใช่อุปชาแต่เป็นพระลูกอื่นจะเป็นอาจารย์กรรมวาจา ร, รือคณะภุรกาตที่นาถบากเขาแล้วแต่ใช่ไหมครับ และก็สองหลักครอบองถ้าไม่น่ารูปนั้นนะและจะบวชขึ้นไหมคนที่บวชบวชขึ้นไหมครับให้ผมตอบเลยขึ้นครับขึ้นครับคณะอุปชาบวชไม่ขึ้นเองนะภาคที่เหลือบวชเขายังขึ้นเลยใช่ไหมครับอันนี้ภาคที่เหลือไม่ต้องพูดถึงเลยนะขึ้นอยู่แล้วนะทั้งคที่เหลือนะในครบขนาดนะครับข้าพุทธอุปชาแนะพุทธญาติอุกิจแล้วนะอุกิณแล้วนะอ๋อกรรมวจาก็ต้องด้านมือช้อน มาจาต้องได้นะ า, นวานะว่าถ้ากรรมวาาวไม่ขึ้นก็บวชให้ก็ที่ไมไ ม, ไม่ขึ้นด้วยะนะใช่ ค, คือเงี้สวดกรรมาวาจะฆลาไม่ได้ใช่ไหมครับก็บวบไม่ขึ้นมีวิบัติละอย่างวิบัติในการไปสมบุกไงอันนี้จำไหมนะยะติใช่ไหมครับ ว, ว่าะะวถูกอนนะครับคนที่จะบวชนะครับเนี่ยต้องอยุครบยี่สิบปีนะ ยัญติอนุสาวนาเนี่ยหมายถึงเกี่ยวคําส่วนนะครับอันนี้หขลังอะไรก็ต้องถูกต้องนะครับสีมา ก, ก็ต้องถูกต้องและบริษัทที่นั่งอยู่ด้วยก็ถูกคบนะครับแล้วก็ไม่มีใครค้าค้างกรรมนั่นนะนะครับที่หลังใช่ใช่ใช่ใช มีบังอองนะบวชตั้งแต่อายุเจ็ดขวบมั้งอย่างพรภาพ่ามนบุตใช่ไหมบวชตั้งแต่เป็นพระแต่อายุน้อยๆ น, น, นะเพราะท่านบรรลุเป็นพระอรหันต์เองแต่ยังเป็นเด็กๆนะต่อไปนะครับทีนยังครบขะนา่งครับผู้บวชใหม่นั้นก็เป็นอนุปสมบทดีแล้วตราใดที่ยังไม่ทราบว่าการสมบทไม่สําเร็จนะครับ ก็ไม่เป็นอันตรายต่อสวรรค์ไม่เป็นอันตรายแก่นิพานนะครับท<ม>่านก็สามบารรลุธรรมได้นะปฏิบัติจเุติภ า, าหันก็ได้นะครับยังไม่ได้กันอะไรเพราะท่านไม่รู้ตัวใช่ไหมไม่ได้ตั้งใจที่จะไปล่วงละเมิดนะครับท่านไม่รู้อันนี้แต่พอได้สร้างเข้าก็ควรประสมบทใหม่นะครให้บวชใหม่คําว่าถึงพิสูจน์เหล่านั้นก็ควรถูกติเตียนหมดเลยนะที่เชวยบวชให้นะครับถ้ารู้ทั้งรู้นะก็โดนหมดเลย แต่จะพิขูคาไรหาหมายความว่าพิสุทที่เหลือไว้หนุปชานะครับล้วนเป็นผู้ที่ควรถูกติดเตียนทุกทุกลูกล้วนต้องอาบัตทุกกฎ ค, คานี้ว่านี้เป็นปาจิตตีในผู้นั้นอีกทางตสมิ่งปาจิตย์ยังหมายความว่าเพิงสร้างอาบัตปาจิตตีมีเฉพาะในพิสุทผู้เป็นประชาให้หนุปสมบทเท่านั้นนะครับผู้หประชาดังนั้น สำหรับพิสุผู้ที่ดำริว่าเราจะให้อุปสมบทอย่างนี้และจึงภาคเพียรสวังหาคณะจะบวชให้ใครสักคนใช่ไหมท่านเป็นอุปชานะท่านก็เป็นมม น, นิมนต์พระนะครับนิมนต์พระมานั่งอธบาให้นะแล้วก็เป็นนิมหาอาจารย์ให้นะกรรมาวาจาหาบาจีวณสมุตสีมาทะสีมายังไม่สมุตใช่ไหมหรือกํานัลเขีวอุทกุกเข็มปากสีมาท่านจะเป็นบวช ก, กันในแม่น้ำนะครับ ลงไปในแม่น้ำแล้วก็ว่านน้ำสาตว์ใช่ไหมกาหนดเขต ส, สีมานะครับวัา น, น้ำสาตไปกี่ที <c oughs> จำได้ไหมว่าน้ำสัตทีเดียวใช่ไหมครับทีเดียวา น, น้ำสาไปทีเดียวนะก็ดยรอบนะั้นใช่ไหมครับ ใ, ในรัศมีนะั่นก็เป็นสีมาของเราแน่ครับ <c oughs> สีมาเนะี่ยแม่นะไม่ต้องคิอะไรครับเาม่้สีมัแม่น้าน้ำแห้ครับน้แห้งแล้วแล้วแหงนีเปลี่ยนตามธรรมกรรมได้ได้ครับมันเด่ ถว่าถ้าสี่เดือนแล้วดูฝนน้ำไหลตลอดนะครับแต่แลดูแรงน้ำมันแห้งอย่างนี้นรับก็อย่างที่ว่าแม่ น, น้ำนะครับท่องสอน ก, กรรมได้ครับจากนั้เ <c oughs> ข้า ก, ากันครับก็พบเห็นมาเยอะไง <c oughs> คือองค์ประชารู้อยู่ครับว่าคนนั้นขู่กันกระเทินเป็นตัวจรงิงเับเออเออเสียงเมื่ันร้อนแหวเสียงมตแล้วก็เข้าไปบวช <c oughs> ไดอรคประชามีโทษอ๋ <c oughs> อมีโทษครับบวชให้พิสุรานี้ก็จะต้องอาบั ตมองทุกคนดทุกข์กไม่หยุดไปตีครับก็หวังคนหลอเป็นปากดำปากแดงเงี้ยโอ้น่าปากแดงอะไรนะมาขอบวชอีกมันเยอะจังเยโอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้ยโออเยโอ้ยโอ้ยโอ้ยาอ้ยอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโออ้ยโยโอ้ยออ้ยยอ้อ้้ยโอ้ยโอ้ย้้อออยออย ฝันทน้วครับเวลากระลาภะกระลาภะมาตายดีหนุ่มหล่อจริงๆอยู่บอร์นี่เล่าขนาทรงไทยย่อมขนาขนาทรงไทยย่อมรักมาลาบากน่ะล่ะที่เราเรียนมามีกะเทยอะไรนะกะเทยยีมพูดอะรที่บวญไม่ได้ใช่ไหมเขาสามพวกใช่ไหมพวกที่อะไรนะรับถูกตอนใช่ไหมรับพูดตอนนี้ก็บวญไม่ได้และก็ไหนนะเข พวกที่ไม่มีพามากลูกเลยเใช่ไหมครับมึงกระเทยนี่ยปูงสกัดนะไม่มีอิทธิพลิษาพาม่าลูกด้านในเกิดนี่ก็ปวดไม่ได้แล้วก็พวกอะไรนะครับก็ตัวอันนี้พูดหนึ่งกระเทยนะพวกที่เป็นข้างข้างแรมดีกว่าข้างข้างแรงใช่ไหมครับปวดได้าเฉพาะอีกข้างนึงนะ่านั้นนะหนึ่งถูกตอน สองนะมันมีภาวะรูปนะครับสามเลยก็ข้างข้างแหลมนะที่บุรุษดยเฉพาะช่วงที่มันเป็นกระเทยนะครับช่วงที่เป็นกระเทยก็บุรุษไม่ได้สามพวกพ่อบันดอกมีมีห้าใช่ไหมอีสองนั่นพวกคือพวกที่ต้องดูนา้าคุชชี่ใช่ไหมครับถึงจะคานกำลนดได้แล้วก็พวกที่ต้องไปดูข้อเศษเมถึงเกิดความนิสหยานะครับอสองพวกนี้ไม่ได้เลยบุรุษก็ต้องจับศึกนะครับไม่เป็นอันบุรุนะ นี่ถือว่าเป็นนบัวนะครับอีกนี่ก็ดีก่อนผู้ผิดผู้ผิดเป็นอันบัวเป็นอันบัวนะครับไม่ใช่พวอดูหนะสุจีในบัวได้นะนะครับเมื่อกี้ผู้ผิดพวกดูหน้าสุจีนะแล้วก็พวกที่ต้องดูคนเขาเสดเมถุนกันและขางกำหนักใช่ไหมสองพวกนี้บัวได้นะครับบัวก็ขึ้นนะแต่พวกที่ถูกต้อน้องมีภาวะลูกนะครับอันนั้นบัวไม่ขึ้นบในะครับมีแนวหัวกี้ อาจารย์ว่เป็นพวกไหนก็ได้ต้องรู้เป็งพวกไหนอ๋อมีแต่หนุ่มผู้ชายใช่ไหมบางคนมีหน้าอกจริงนะไม่จริงครับ สงสัยที่ข้าใหรบัวนะ้าอาจจะดูแล้วนะมันไม่ใช่ประเภทถูกตอนมันจะเคยมีางรูปมั้งอาจจะเป็นอย่างอื่นแต่กอันตรางนะครับอาจจะเปทาให้พลาดแบบสียควมเป็นพลาดได้นะเก็ไปดูแปลอะไรใครอย่างนี้นะโอ้ต้องระวังให้ดีนะครับาใการดูเทียวเ้ยมีจับได้อไรต่อไปนะครับนี่นะบอกว่าถึงไหนนะพราะกิจทั้งหมดนั้น ก็เป็นทุกกดเรื่อยๆนะครัอันนี้พร้อมครั้งยนติและกก็มโหฬาจาจบครั้งที่สองยติก็ทุกกดตัวหนึ่งมโหฬาราสองครั้งก็สองตัวะทั้งต้องบัด ท, ทุกกดหลายตัวพอเกอร็จมโาจาครั้งสุดท้ายนะครับต้องบัดปานสิบตีเหตุเกิดได้ประเทศอาบาัดสิคข า, านผลนี้พุทธพพระเจ้าทรงป ร, งงปรโลกพิสูจนหลายรูปในเมืองราชคือบัญญัติไว้แล้วเพราะเหตุ คือการใหรกุลบุตรที่อายุยังไม่ถึงยี่สิบปีปะสมบทมมเป็นอาสาทางนาญญหาน้าบรญญัติพิสุนีไม่มีนะครับพิสุนีอายุยังไม่ครบยี่สบก็บวชได้มีสองพวกนะค ร, รับถ้าผู้ที่เคยมีผัวมาแล้วนะผู้หญิงที่เคยมีผัวมาแล้วนะค ร, รับอายุยังไม่ถึงยี่สิบปีก็บวชได้แต่พวกที่ยังไม่มีผัวเนี่ยต้องยี่สิบปีก่อนถึงจะบวชได้ความแตกมมแต่างกันนะครับแต่คตตนเก่งะอะคับ น, นี่นะ อนันติกานะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยไม่สาธานันติกาพิสูนีนะครับอนันติกาไม่เกี่ยวกับการใช้นไปผัวในครอบเองนะจึงต้องอ่านบัตอันนี้อันนี้ข้ามไปนะเป็นอ่าบัทุกคนสำหรัพิสูรเหล่านี้นยอันนี้ข้ามไปกุลบุตรมีอายุไม่ครบยี่สิบนะครับพิสูนมีความสงสัยก็ดีเพราะเป็นไปตีคือรู้ทั้งรู้นะถ้าเราสงสัยเนี่ยต้องอ่านทุกคนนะครับกุลบุตรมีอายุครบยี่สิบปีแล้ว แต่ไมเข้าใจผิดว่ายังไม่ครบหรือว่าสงสัยก็ดีอันนี้ต้องบัตรทุกกฎ น, นะครับก็ mm. ต้องถามให้แน่อายุเท่าไหร่กี่ปีอย่างเงี้ยนฮะ mm. แล้วก็บวชให้นะครับ <c oughs> ถ้ายิย้มไม่ถึงแล้วก็บวชไปให้เป็นเองก่อนใช่ไหมนะครับ <c oughs> อานาบัตรพิสูจน์ไมต้องอานบัตเมื่อหนึ่งไม่ว่าคนบุวชจะมีอายุครบหรือ ย, อยังแต่เข้าใจว่ามีอายุครบแล้วให้บวชบวชให้ น, นี่ก็ไม่ต้องอาบากนะครับพวกเราเข้าใจอย่างเงี้ยนะ และพิสูบ่าเป็นต้นก็ไม่ต้องอานบทนะครับ อ, องค์อานบาสิกขาบทนี้มี อ, องสามเหล่านี้คือหนึ่งคนบุตรมีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีบริบูรณ์สองเข้าใจว่ามีอายุยังไม่ครบยี่สิบปีรู้ทั้งรู้ใช่ไหมสามะสมบทให้ครบองสามก็ต้องบปาริตรีสิขาบทนี้เาสําหรับข้ประชารนะซึ่งฐานเป็นต้นเป็นเช่นเดียวกับอัินนาทาสิขาบท จำได้แล้วใช่ไหมครับต่างแต่สี่ขามตนี้เป็นปณิตวัชะไม่ได้เป็นอกุศลสี่อย่างเดียวนะจิตท่านจะเป็นกุศลก็ได้ใช่ไหมครับในกรณีที่ไม่รู้ภาพบัญญัตินะครับจิตเป็นกุศลอนุเคราะห์ต้อง้ารเขาบภาพระใช่ไหมอืมครับเพราะฉนั้นข้อนี้ไม่ได้จอดจงว่า จ, จิตเป็นอกุศลอย่างเดียวะครับมีจิตสามเวทนาสามอะไครับกุศลอกุศลพิจิกษะได้หมดนะเวทนาทั้งสาม จบการที่บาอูน้ามิสติวัคสิกาสิขาบทพียังไม่จบดีไนมผมจะออนใ้เกี่ยวกับคำที่บาปทั้งนี้นะพระพตทธองตัดว่าเมื่อพระเจ้าตัดว่าดูก่อนี่สุดทั้งหลายจิตดวงแรกใดเกิดแล้ในท้องของมารดาวิญญาณดวงแรกปรากฏแล้วอาศัยจิตดวงแรกวิญญาณดวงแรกนั้นนั่นแหละเป็นความบังเกิดของสะนะัต์นั้นดูก่อนที่สุดทั้งหลาย เราอนุญาะให้ผสมบุตรุณบุตรมีอายุครบ20ปีทั้งอยู่ในคันนะครับผู้ใดอยู่ในท้องของมารดาถึง12เดือนคลอดนะครับเกิดมาในวันมหาปวรณาจำานนวันมหาปวรณาคือวันกี่ข่ำครับวันขึ้น15ข่าเดือนเดือน11นะครับวันขึ้น15ข่าเดือน11 เป็นวันมหาปวรนาใช่ไหมเพราะเราจะพรรษาน่ะวันแรกหนึ่งค่ําเดือนแปดใช่ไหมครับพอมันถึงสิบ้าค่ำเดืนสิบเอดนะก็ยี่ค่ำสามเดือนพอดีเนี่ยนะครับเขาบอกว่าข้อวันนี้นะครับตั้งแต่วันมหาปวนานั้นไปจนถึงวันมหาปในปีที่สิบเก้านะครับพึงให้ผู้นับประสมบทในวันปาฏิบทแรกหนึ่งค่ำหนึ่งเลวันมหาปวณานั้นไป พราว่าแกเกิดเนี่ยวันปวนาใช่หครับที่แกเกิดวันแรกนะแกได้เจ้าอนี่อายุหนึ่งปีแล้วพออยู่ในท้องใช่ไหมครับทีนี้พอเน่าไปนะเน่าไปถึงวันปวนาปีที่สิบเก้านะครับเนี่ยนะพอวันปวนาปุ๊บไหนแกจะมีอายุครบยี่สิปีวันนั้นพอดีใช่ไหมเพราะแกเกิดวันนั้นนะครับทีนีเวลาผ่านไปสิบเก้าปีแกก็เท่ากับมีอายุครบยี่สิบแล้วเพื่อจะครบยี่สิบวันนั้นนะวันนั้นยังบวชให้ไม่ได้นะครับ มันจะยี่สิบเนี่ยมันต้องถ า, านมันั่นใช่ไหมถําว่าล้างวันนอีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็บูรณาเขาได้อันนี้นะอันนี้เป็นธรรมดานะครับจะมีพิสดารก่อนนี้อีกนะแต่พวกพระเถราครั้งก่อนให้สมมเนยอายุสิบเก้าปีอุปสมบทในวันปาฏิบทวันแรงค่ำหนึ่งเลยวันแผนเดือนเก้าไปนะครับก็หมายความว่าเมื่อก่อนถ้าอุปสมบทนะครับให้แกสมมเนยที่มีอายุสิบเก้าปีนี่ ก่อนนะครับก่อนวันก่อนวันแรมเนี่ยก่อนวันปวานาสองเดือนครับก่อนกว่านี้่ก่อนวันปวานาสองเดือนนะครับได้ยังไงเมื่อกี้บอกว่าให้ประสมบทเมื่อหลังวันปวานาใช่ไหมครับหนึ่งวันนะแต่นี่เข้าประสมบทก่อนนั้นสองเดือนได้ครับเนี่ยนะทั้งที่เมื่อ ก, กี้นะครับเขาเกิดวันมาหาปวณ า, าเลยนะครับแต่พอมามาถึงปีที่สิบเก้าเนี่ย ไม่ได้บู่ให้เขาตอนหลังวันหาปวนาแต่บูให้ก่อนหน้านั้นสองเดือนได้เลยนะครับงานยุคครบยี่สิบปีได้ยังไงถ้าถือว่าครบยี่สิบปีแล้วนะก่อนสองเดือนนะครับเนี่ยมาดูคําเฉลยนะครับท <c oughs> <c oughs> ่านเฉลยว่าในปีหนึ่งมีจันทรุสี่อุโบโสถอุโบโสถวันสิบสี่ค่ำอยู่หกวันนะครับ <c oughs> <c oughs> ในปีเนี่ยมันจะมีอุโบโสถสิบสี่ค่ำหกวันใช่ไหมนะครับ <c oughs> ดีกว่า น, นะคืออะไรนะแต่และฤดูนะครับอุโบสถที่เท่าไหร่ของฤดูนะครับเป็นบทที่สิบสี่ค่ำอุโบสถเท่าไหร่อุโบสถที่สามสามกับที่เจ็ดนะครับอุโบสถที่สามกับอุโบสถที่เจ็ดนะครับเป็นวันสิบสี่ค่นะของของทุ่ะะทงรดูนขนะข อ, ของทุ่นะงร ด, ดูนะครับอุโบสถที่สามกับอุโบสถที่เจ็ดของทุ่งรดูด เป็นวันสิบสี่ค่ำหรือง่ายๆนะครับนะและเดือนขี่ทุกเดือนนะครับอะไรนะวันแรมของเดือนขี่นะครับจะเป็นวันสิบสี่ค่ำนี่นคะคือหนึ่งเดือนเอนี่ยหนึ่งปีมีสิบสองเดือน <5 S 1> ใช่ไหมะ น, นะครับ<ๆ>ทีนี้หนึ่งเดือนท่าแบ่งเป็นสองปักนะครับข้าวครึ่งสิบห้า ว, วันค้าวสิบห้าวันใช่ไหม นะครับหนึ่งเดือนหนึ่งสามสิบวันแต่บางเดือนไม่ครบสามสิบวันนะครับหมายความว่าเดือนของท่านนะที่เป็นเดือนคี้นะมันจะมีแค่ยี่สิบเก้าวันเดือนคู่มันก็มีหองเดือนใช่ไหมเดือนคี่ก็มีห่อเดือนนะครับใช่ไหมครับนี้นะไอห่องเดือนนะครับมันมีแค่ยี่สิบเก้าวันมันขาดไปหกวันนะครับที่ไม่ครบหนึ่งปีนะถ้าบอกว่าเพราะฉะนั้นในยี่สิบปี จะมีเดือนขาดไปสี่เดือนนะครับหนึ่งปีนี่ขาดไปหกวันนะครับยี่สิบปีเนี่ยจะขาดไปสี่เดือนเราหกไปคูณยี่สิบนะครับจะได้ร้อยยี่สิบวันใช่ไหมก็เท่ากับสี่ เ, เ, ดดเดือนนะครับแล้วท่านท่านทำยังไงเมื่อเดินขาดไปตั้งสี่เดือนนะเพราะว่ามันมีแรงสิบสี่ครั้งนะครับยี่สิบเก้าวั น, นนะ เจ้คผู้ครองบ้านเมืองจึงเลื่อนการฝนออกไปทุกๆสามปีเพิ่มที่กิดมากทุกๆสามปีนะครับก็คือสามปีหนึ่งมันจะมีเดือนเกินปีใช่ไหมสามปีมีเดือนเกินปีหนึ่งไอเดือนเกินหมายถึงว่าปีนั้นอนะ่ะมันจะมีสิบสามเดือนด้วยกันนะครับนี่นะคือสามปีเนะี่ยมันจะมีเดือนเกินที่เป็นสิบสามเดือนอยู่ปีนึงนะในสิบแปดปีจะเพิ่มเดือนขึ้นหกเดือนใช่ไหมครับ อย่างนี้นะหมายเขาว่าสามปีเนี่ยมีอาทิกกมาหนึ่งเดือนใช่ไหมถ้าสิบแปดปีจะมีอาทิกกามา ก, กี่เดือนเราก็ไปสิบแปดหารด้วยสามใช่ไหมครับอ่าสิบแปดหารด้วยสามมันก็จะได้หกเดือนนะครับอทีนี้นะครับ ท, รทํำยังไงทีนี้นำสี่เดือนที่ขาดไปด้วยอํำนาอุโบสถไปจากหกเดือนที่เพิ่มเข้ามาในสิบแปดปีนั้นยังคงเหลือสองเดือน อ่ะสมมติว่าไหนะหมายเขาว่าเข้าชดเชยมาหกเดือนใช่ไหมมันขาดไปสี่นะแต่ท่านชดเชยมาหกใช่ไหมมันก็ยังเหลืออีกสองเดือนที่เกินมานะครับใช่ไหมครับทีนี้ก็เอามาบวกอายุจริงสิมันก็จะครบพอดีนะครับพ่อะมันเกินเนี่ยพราะงั้นคนที่มีอายุแค่สิบเก้าปีใช่ไหมกับกี่เดือนสิบเก้าปีกับสิบเดือนใช่ไหมครับท่านก็บวชให้ เพราะว่าบวกไอเดียนที่มันยังเกินมาอีกสองเดือนนะครบยี่สิบพอดีครับอันนี้นะเดือนสามยังยากไปด้วยสี่สบปีก็เลยบอกทำ <c oughs> บา้านส่สิปีเพื่อที่จะัข้าร่วเลี้ยงปรชาชนตัวถัวอันนี้แท้ๆเราคิดนะเขาบอกว่าคนที่อยู่ในท้อมาร์ดาน หงเดือนจะไม่รอดใช่ไหมครับเจ็ดเดือนรอดอยู oh, ่นะเจ็เดือนยังต้องอยู่ในตู้อบเลยใช่ไหมถ้าหงเดือนนี้ออกมาไม่รอดนะอค่ดเดือนเ่วอ้วครบค่ะนครับเดือนเอา่ครบอ๋อยังไม่ครบเลยนะถองมาก็ไม่รอดเนหน้าคนนี้ก็จบนห้คนี้นะครเอาตรงสมุนธานะบอกว่า เป็นกิริยาต้องมากระทําสัญญาไม่โม้กนะครับค้นได้เขราไม่รู้นะสัจจการต้องทั้งรู้นครับปณติว่าชตากายกรรมก็ได้วิจรกรรมก็ได้มนตีสามวิรณาสามวันนี้เลย